เบื้องต้นเดี๋ยวก็ให้พรก่อนเนาะโยมก็จะฟังเทศคอยทอนกลางวันเลยกลางวันได้ข่า ว, ว่ามีเหตุกันนึงเนาะเดี๋ยวประมาณเที่ยงออเที่ยงก็ใครไม่ได้ไปไหนก็มานั่งคุยกันเดี๋ยวมีอะไรเพืฟังเยอะป่วยงดไม่มานิยมตายจริงๆนะ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 เสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันแน่ๆนๆแน่นอะอกก็เลยไปโรงพยาบาลตรงนี้พอตรวจเจอประมาณสามสามงเย็นหายสามงเย็นเราเนี้ยตอนช้าต้องมาฉันที่นี่อยู่นั่นนะพอสามโมงเย็นตรวจเจอเราก็เลยคิดว่าจะมาฉันที่นี่ก่อนแล้ว ก, ก็จะไป ห, หามหมอฉีดสี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 เราจะหายใจไม่ออกแล้วเราเอ๊ะเป็นอะไรก็จะนั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปเนี่ยจนถึงแจ้งหลายปีมากนะมันมันเทามันเทามันก็อยู่ได้แลเรื่องหารการขบฉันบนดอยมันก็ไม่เป็นพิษเหมือนข้างล่างเราเนาะแล้วอากาศก็ดีแล้อย่างหนึ่งเราเดินขึ้นเขาลงเขาประจำคล้ายๆร่างกายมันกประจำเอี่ยเนี่ยมันมัน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 ส่วนใหญ่เราจะอธิษฐานก่อน่าเอา um. อธิษฐานก่อนนาอธิษฐานก่อนนะมันมีความอยากได้มากเกินไอตวนี้เนี่ยบางท <t Ay aws bullshit> ีอธิษฐานจนจนมันมันเกินเหงืเนี่ยอธิษฐานก็จะหลุดมืได้นะโอ้ยมันเนาะต้องกว่าศานาสิงนี้ว่าศาสนาสิ่งนี้เราทาไปก่อนแล้วค่อยเบิกบุญเทีหลังอ่าทก่อนแล้วค่อยเบิกเอาทีหลังการเบิกบุญยไงการเบิกบุญนี่คือหมายความว่าถ้าเราทำกิจการอะไรักอย่างเนี้ย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 ทำแล้วเนะี่ยย่อมจะหอนเหว่ยทันทีแล้วทานของเหวียง ม, มันจะได้ลงทันทีเลยนะมันจะเศร้างงเลยอย่างนั้นนะแตนี้ไม่ถูกเรายอ้อนใบหนาพระเจ้าอ่ะพระเจ้าท่านทำความดีอลไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านทำไปก่อนแล้วทา่นทานปรารถนาที่หลังไปไปดูได้เลยในบรบิเสามสิบทัศน์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงจริงแต่พวกเราเนี่ยโหนั่งปับเดียว่นั่งภาวนานเนี่ยอยากได้สวรดคบัลลัง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 เมธาเวโสขังโสอจิกาจติงายุนัดดาวาบารังวานังโสังจะปฏิภาณด้นเดกายุยญาสาวโหติญาธาญาด้วน ชะเทียตีรัตนาตยานุภาเวนารัตนาตยเนตชาทานโตขะโรคาพยเวรัสกะสตุปัตตะวันอาเนกาอันตรายาปียเวนัสันโตเสสโตชยยสิทธิธนาราังโสทภาคยังโสขังพลัง เทริยูจาวโนจันพรกังวุธีจายสวาสนาตวัสตาจายูจันเทวาสิทธิวันตตเตปาวาโตสามังกลังราคันโตสามบัมบูธานุภาเวนัสดาโสธิบวันตตเต กัลลังราคันโตสะพเดวตาัสาธรมานุภะเวนะสตาโสธีพะวันโตเตภะวะโตสะพังกลังราคันโตสะพเดวตาอังสาังขะโนภะเวนะสะาโสที